วันนี้เป็นวันจันทร์ที่21ตุลาคมพุทธศักราช2562เป็นวันพระเป็นวันที่พระพุทธเจ้าสรงสอนให้พุทธบริษัทได้หยุดการทำทุระทางร่างกายคือ ทางาลาบยศสรรเสริญทางความสุขทางตาหูจมูกลื่นกายแล้วให้มาทำธุระทางจิตใจเพราะจิตใจนี่เป็นสิ่งที่สำคัญกว่าร่างกายร่างกายเป็นของชั่วคราวเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็ว ก็ต้องตายไปส่วนจิตใจนี้เป็นของที่ไม่ตายเป็นสิ่งที่ไม่ตายเป็นสิ่งที่จะอยู่ต่อถ้าเรามาทำทุละให้กับใจใจก็จะได้จเจริญใจจะได้มีความสุขมากขึ้นไปตามลำดับ ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงท่งบัญญัติหรือกำหนดวันพระขึ้นมาเพราะถ้าไม่กำหนดพุทธบริษสัตว์ก็จะจะทำกับธุระทางร่างกายไปเพราะไม่รู้จักจิตใจ ไม่รู้จักคุณค่าของจิตใจไม่รู้จักวิธีสร้างความสุขสร้างความเจริญให้แก่จิตใจรู้จักเพลงแต่ร่างกายก็จะทุ่มเทเวลาให้กับการหาความสุขความเจริญทางร่างกายกัน คนที่ไม่เข้าวัดนี่เป็นคนที่ไม่รู้จักเรื่องของจิตใจเขาจะใช้เวลาทั้งหมดให้กับการหาความสุขความเจริญทางร่างกายวันทํางานเขาก็ไปหาเงินหาทองพอวันหยุดเขาก็ไปหาความสุขทางร่างกาย ด้วยการใช้เงินใช้ทองที่หามาได้ชีวิตของเขาก็จะสุขเพียงเครื่องเดียวคือสุขทางร่างกายแต่จิตใจของเขานี้จะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่และอาจจะมีความทุกข์ถ้าเกิดไปพบกับเหตุการณ์ที่ไม่ปรารถนา อาจจะทำให้เกิดความทุกข์ถึงกับอยากจะฆ่าตัวตายหรืออยากจะฆ่าคนอื่นอันนี้เป็นผลที่เกิดจากการไม่รู้จักจิตใจว่าเป็นส่วนที่สำคัญกว่าร่างกายและเป็นส่วนที่จะต้องมีการดูแลเลี้ยงดู เหมือนกับร่างกายพอไม่ได้ดูแลจิตใจจิตใจก็เลยเกิดอาการอาภาษขึ้นมาเกิดความไม่สบายใจต่างๆขึ้นมาแล้วก็อาจจะแก้ความไม่สบายใจไปในทางที่ทำให้เกิดโทษ กับตนเองและกับผู้อื่นต่อไปได้ถ้าไม่ได้เข้าหาผู้รู้อย่างพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงสามุปที่รู้ว่าสิ่งที่สำคัญสิ่งที่จำเป็น <c oughs> จะต้องมีการดูแลก็คือจิตใจ ดูแลให้เหมือนกับดูแลร่างกายแล้วจิตใจและร่างกายจะได้มีความสุขทั้งสองส่วนเมื่อมีความสุขแล้วก็จะไม่ต้องไปทำอะไรให้เกิดโทษเกิดความเสียหายกับตนเองและกับผู้อื่นนี่คือวันพระที่พระพุทธเจ้าได้ส่งบัญญัติขึ้นมา เรียกว่าเป็นวันของจิตใจไม่ใช่เป็นวันของร่างกายวันอื่นเราให้เป็นเวลาของร่างกายให้ไปหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงดูร่างกายให้ไปหาอะไรต่างๆมาให้ความสุขกับร่างกายแต่วันพระนี้ให้มาดูแลจิตใจให้มาทำทุละ ของจิตใจทุระของจิตใจนี้พระพุทธเจ้าทรงมอบให้ไว้สองทุระด้วยกันเรียกว่าคันะธะทุระและวิปัสนาทุระนี่คือทุระที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดูรักษาจิตใจให้อยู่เย็นเป็นสุขให บาสจาาความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆจึงต้องมีเวลามาทำธุระทางใจจึงต้องมีวันพระเมื่อมีวันพระแล้วก็ควรที่จะเข้าวัดกันแต่การนับวันพระนี้เป็นการนับตามแบบโบราณโบราณนี้ เราจะหยุดทํางานในวันพระกันเพราะเราถือถือหลักของวันพระเป็นหลักที่จะหยุดทํางานเพื่อเราจะได้เข้าวัดกันทางแบบโบราณเราก็ใช้วัดตามวันขึ้นแรมของพระจันทร์นะครับแบ่งเป็นสี่พระจันทร์นี้เดือนหนึ่งจะ เต็มดวงหนึ่งครั้งก็แบ่งไว้สี่ตอนทุกเจ็ดวันแปดวันก็จะเป็นวันพระหนึ่งวันวันขึ้นแปดค่ำวันแรมแปดค่วันขึ้นสิบห้า่วันแรมสิบห้า่แล้วนานๆก็จะมีวันแรมสิบสี่ค่เพราะว่าพระจันทร์นี้จะไม่ครบจะไม่ครบหกสิบวัน ขาดหนึ่งวันจะเต็มดวงสองเดือนทุกห้าสิบเก้าวันไม่ใช่ทุกหกสิบวันเห็นวันต้องมีวันหนึ่งในสองเดือนนี้ที่จะเป็นวันสิบสี่ค่ำขึ้นมาทางโบราณเราก็หยุดทา ง, งานในวันพระกันแล้วก็ได้เข้าวัดกันเข้าไปทำธุระ ทั้งสองคือคันธุระและวิปัสนาธุระแต่ในยุคปัจจุบันนี้โลกได้เปลี่ยนไปและประเทศต่างๆก็ได้มีการทำการค้าขายมีการติดต่อกันจึงมีวันหยุดสากลวันหยุดที่ทุกประเทศเขาถือหยุดกันคือวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ย เป็นวันหยุดทำงานซึ่งก็จะไม่ตรงกับวันพระเสมอไปพอวันพระนี้จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆวันพระวันนี้เป็นวันจันตรงกับวันพระเดี๋ยวอาทิตย์หน้าหรืออีกสองอาทิตย์ก็จะเลื่อนไปเป็นวันอังคารจะเลื่อนไปเรื่อยๆจากอังคารก็ไปเป็นพุธ นานๆก็จะมาเจอวันเสาร์วันอาทิตย์กันสักครั้งหนึ่งถ้าเราหยุดทำงานวันเสาร์วันอาทิตย์อย่างวันนี้เราก็จะมาวัดไม่ได้มาทำธุระทางจิตใจไม่ได้เพราะเราต้องไปทำธุระทางร่างกายกันเพราะเป็นวันทำงานสากลเดีย๋ยวนี้เราใช้ วันหยุดสากลวันทำงานสากลเนื่องจากว่าเราต้องทำมาค้าขายติดต่อกับประเทศต่างๆถ้าเขาหยุดเราไม่หยุดเราก็ติดต่อกับเขาไม่ได้ทำงานกันไม่ได้ถ้าเราหยุดเขาไม่หยุดเขาก็ติดต่อกับเราไม่ได้เราก็เลยต้องเปลี่ยนวันหยุดทำงานจากเดิมเป็นวันโกนวันพระ มาเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ตามสากลไปก็เลยทำให้โอกาสที่จะเข้าวัดนี้มีน้อยเพราะเห็นความสำคัญของการทำธุระทางร่างกายมากกว่าทำธุระทางจิตใจเนื่องจากไม่รู้คุณค่าคุณประโยชน์ของธุระทางจิตใจว่าดีกว่าเลิศกว่า คุณค่าของทุลาทางร่างกายคนก็เลยห่างวัดกันมากขึ้นมากขึ้นไปสมัยก่อนสมัยที่เราใช้วันพระเป็นวันหยุดวันโกนวันพระเป็นวันหยุดคนไทยจะเข้าวัดกันมากชาวพุทธเข้าแล้วก็ศึกษาทำทุลาสองอันขันธ์ทุลาก็คือศึกษาคาสอน ของพระพุทธเจ้าคำสั่งคำสอนให้ทำอะไรบ้างเพื่อให้เกิดประโยชน์กับจิตใจเ <Yeah. S 1> มื่อได้ศึกษาคำสั่งคำสอนรู้ว่าต้องทำอะไร <Yeah. S 1> ก็นำเอาไปทำไปปฏิบัติไปทำธุระอันที่สองคือคันวิปัสนาธุระวิปัสนาธุระก็คือการทำให้แจ้ง ของผลที่จะเกิดจากการกระทำตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองผลที่จะเกิดจากการทาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เรียกว่าความเจริญทางจิตใจความเจริญจิตใจระดับสูงสุดระดับที่ไม่มีคำสั่งคำสอนของผู้ใดในโลกนี้ จะสามารถสอนให้ขึ้นไปถึงระดับนี้ได้ก็คือระดับของพระอรียบุคคลเรียกว่าระดับของมรสีผลสีนิพานหนึ่งมกผลนิพานอันนี้เป็นระดับของการพัฒนาของจิตใจที่สูงสุด ที่จะทำให้จิตใจนี้หยุดหลุดออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดหลุดออกจากการเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัติต้องเกิดจากการทำทุระสองประการนี้คือทำคันธทุระศึกษา ว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรให้ทำอะไรเพื่อจะได้ทำให้เกิดมีมรรคผลนิพพานขึ้นมาในจิตใจคือยกระดับจิตใจให้ขึ้นสูงขึ้นไปตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดที่จิตใจจะสามารถไต่เต้าขึ้นไปได้คือระดับของพระนิพพาน ระดับของการยุติของการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏจึงต้องฟังเทศฟังธรรมหรืออ่านหนังสือธรรมะแล้วถึงจะรู้ว่าพระพุทธเจ้านี้สอนให้ทำอะไรเพื่อทำอะไรให้แจ้งให้ปรากฏขึ้นมาสงสอนให้ละการกระทำบาป ท, ทั้งปวง สรงสอนให้สร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมสรงสอนให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะการกระทำทั้งสามอย่างนี้จะทำให้เกิดมรรคผลนิพพานปรากฏแจ้งขึ้นมาภายในใจนั่นเองนี่คือทุระทางด้านจิตใจ ที่เรามาทำกันในวันหยุดทำงานคือในวันพระญาติโยมที่ไม่ต้องไปทำงานก็มีเวลามีโอกาสที่จะได้มาทำธุระที่สำคัญนี้เป็นธุระที่จะให้คุณประโยชน์ที่จรังถาวร ประโยชน์ที่เราได้รับจากการทำธุระทางจิตใจนี้เป็นประโยชน์ที่ยั่งยืนถาวรต่างกับประโยชน์ที่เราได้รับทางร่างกายที่เป็นประโยชน์ชั่วคราวเพราะร่างกายเป็นของชั่วคราวร่างกายไม่ช้าก็เร็วก็ต้องสู่จุดสิ้นสุดคือความตาย พอร่างกายถึงความตายแล้วประโยชน์สุขต่างๆที่สร้างให้กับร่างกายก็จะหมดความหมายไปร่างกายไม่สามารถเอาประโยชน์ต่างๆเหล่านั้นไปใช้สอยต่อได้หลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วแต่หลังจากที่ร่างกายตายไปแล้ว จิตใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายจิตใจนี้เป็นเหมือนแฝดพี่ร่างกายนี้เป็นเหมือนแฝดน้องมาเป็นฝาแฝดอยู่ร่วมกันแต่เวลาแฝดน้องตายไปแฝดพี่ไม่ได้ตายไปกับแฝดน้องแฝดพี่ยังอยู่ต่ออยู่กับประโยชน์สุขของจิตใจ ได้ทำประโยชน์สุขทางจิตใจไว้มากน้อยเพียงไรประโยชน์สุขทางจิตใจยังอยู่ไปกับใจต่อไปนี่แหละคือความสำคัญของจิตใจจปตใจเป็นของไม่ตายเป็นของที่จะอยู่ไปเรื่อยๆจะอยู่แบบสุขหรืออยู่แบบทุกข์ก็ขึ้นอยู่กับ การทำธุระสองประการนี้ถ้าทำธุระสองประการนี้ได้มากเท่าไหร่ก็จะได้ความสุขมากเท่านั้นถ้าทำน้อยก็ได้น้อยถ้าทำมากก็ได้มากถ้าทำเต็มร้อยก็จะได้ประโยชน์เต็มร้อยอันนี้ไม่สูญหายไม่หมดไป กับความตายของร่างกายสิ่งที่จะสูญหายไปกับความตายของร่างกายก็คือลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจะไม่มีอีกต่อไปสำหรับคนตายตายแล้วทรัพย์สมบัติมีมากน้อยเพียงไรก็ไม่สามารถเอาติดตัวไปได้มียศมีตำแหน่งสูงต่ำเพียงไหน ก็ไม่สามารถเอาติดตัวไปได้มีสรรเสริญมีหลังวีราังวันต่างๆก็เอาติดตัวไปไม่ได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เอาไปไม่ได้แต่ความสุขทางใจนี้เอาไปได้นี่แหละทำไมพระพุทธเจ้าจึง ต้องมากำหนดวันพระขึ้นมาเพื่อให้พวกเราจะได้มาทำประโยชน์ทางด้านจิตใจกันมาเรียนรู้เรื่องของจิตใจว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามาหาศาลยิ่งกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้อย่าไปเสียเวลากับการหาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เลย เพราะมันเป็นของชั่วคราวหามาได้มากน้อยเพียงไรพอตายไปมันก็หมดไปกับความตายให้มาหาประโยชน์สุขทางใจที่ไม่ได้หมดไปกับความตายของร่างกายดีกว่าแล้วก็จะเป็นประโยชน์สุขที่จะปลดเปื้องความทุกข์ต่างๆที่จิตใจ ได้แบกได้หาไมา้เป็นเวลาอันยาวนานคือความทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิดความทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บใจในไตพกในสังสารวัฏจะหมดสิ้นไปจากการมาทำธุระสองประการนี้คือคันะธุระและวิปัสนาธุระถ้าทำแล้วก็จะทำให้ ใจได้รับประโยชน์สูงขึ้นไปตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นดดพ้นออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิด น, นี่คือเรื่องของวันพระวันที่พวกเราจะมาทำคันถาธุระมาศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วก็มาปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเราปฏิบัติได้แล้วผลก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับแห่งการปฏิบัติขั้นแรกของการปฏิบัตินี้สงสอนให้พวกเราปิดประตูอบายคือ ทางที่จะพาให้จิตใจเราไปติดคุกติดตารางในโลกทิพย์นั่นเองคำว่าตารางนี้ก็เป็นเหมือนตารางที่เราเห็นกันในโลกนี้ไม่มีใครอยากไปติดคุกติดตารางกันเขาก็เลยมีกฎหมายให้รักษาให้ปฏิบัติตามถ้าปฏิบัติตามกฎหมายเขาก็จะไม่จับเราไปติดคุกติดตาราง ฉันใดจิตใจถ้าไม่มีการกระทําบาปก็จะไม่ไปติดคุกติดตารางในโลกทิ่คือไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในอบายนั่นเองอบายคือที่เกิดของสัตว์เดรัจฉานที่อยู่ของเปรตของอสุ ร, รกายและของนรกของสัตว์นรก เนเหมือนคุกตารางของมนุษย์เราถ้าทำผิดกฎหมายก็จะถูกเจ้าหน้าที่ทางบ้านเมืองจับไปติดคุกติดตารางฉะนั้นใดถ้าทำบาปจิตใจเวลาที่ร่างกายตายไปจิตใจก็จะไปติดคุกติดตารางในอบายถ้าไปเกิดก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรายชานจะไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ ถ้าอยากจะเป็นมนุษย์อยากกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องละการกระทำบาป ท, ทั้งปวงนี่คือคำสอนข้อที่หนึ่งของพระพุทธเจ้าสอนให้เราปิดประตูอาบายกันสอนให้เราไม่ไปเกิดในอาบายกันก็ไม่ยากเย็นอะไรเพียงรักษาศีลห้าข้อแล้วก็ละเว้นผู้สนับสนุน ให้กระทำบาปอีกห้าข้ออีกสี่ข้อก็คืออบายามุขนี้เองถ้าละอบายามุกได้โอกาสที่จะทำบาปก็มีน้อยถ้าเสพอบายามุกโอกาสที่จะทำบาปนี้จะมีมากจะมีความกดดันที่จะให้จิตใจไปทำบาปได้มาก จึงต้องสอนให้ละอบายามุกด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้ไปทำบาปบาปนี้ก็มีอยู่สี่ข้อนะคือหนึ่งการฆ่าสัตว์สองการรักทรัพย์สามการประพฤติผิดประเวณีสี่การพูดปดนะส่วนสุรานี้การดื่มสุรานี้เป็นอบายามุกเนะี่ยไม่ได้เป็นบาปดื่มสุราแล้วนอน ไม่ไปทําอะไรเสียหายไม่เป็นบาปเพียงแต่ว่าจะไปทําประโยชน์ไม่ได้คนเมาสุราแล้วจะไปทํางานทําอะไรเป็นประโยชน์ไม่ได้ทําภารกิจทางร่างกายก็ไม่ได้ทําภารกิจทางจิตใจก็ไม่ได้จะไปนั่งสมาธิจะไปทําบุญที่ไหนก็ไปไม่ได้ถ้าเมาแล้ ว, ลวก็เลยต้องห้ามไม่ให้ดื่มสุรายามเมา เพื่อที่จะได้มีสติสมบูรณ์ที่จะได้ไปรักษาศีลได้ไปห้ามจิตใจไม่ให้ทำบาปได้เวลาเกิดความคิดที่จะทำบาปขึ้นมาถ้ามีสติก็จะห้ามได้แต่ถ้าไม่มีสติก็จะปล่อยให้จิตใจทำไปตามความอยากตามความคิด อยากจะฆ่าสัตว์ก็ฆ่าอยากจะลักทรัพย์ก็ลักทรัพย์อยากจะประพฤติผิดประเวณีก็ประพฤติผิดประเวณีอยากจะพูดปลดโกหกหลอกลวงก็จ <c oughs> ะพูดพูดแล้วมันก็จะสร้างอบายขึ้นมาในใจทันทีไม่ต้องมีใครมาคอยตามจับเข้าไปเดกคุกติดละติดตารางเหมือนการทำผิดกฎหมาย ทำผิดกฎหมายต้องมีเจ้าหน้าที่มาคอยตามจับถ้าจับไม่ได้ก็ยังลอยนวลอยู่ยังไม่ต้องไปติดคุกติดตารางแต่ทำบาปนี้ทางจิตใจมันจะเป็นไปโดยอัตโนมัติเป็นเหมือนกฎแห่งกรรมเป็นกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมนี้ไม่ต้องมีสารไม่ต้องมีตำรวจไม่ต้องมีอายการ กดแห่งกรรมนี้เป็นทั้งตำรวจเป็นทั้งอายการเป็นทั้งศาลผู้พิพากษาตัดสินจำคุกทันทีถ้าทำบาปทุกข์ก็บาปก็มีหนักเบาเนี่ยบาปสี่ข้อนี้ก็มีความหนักเบาต่างกันไปหนักเบาอยู่ที่ตรงไหนอยู่ที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทำบาปเหล่านี้นั่นเองนะ ถ้าเสียหายมากก็บาปหนักถ้าเสียหายน้อยก็บาปเบาหนักเบาก็มีโทษต่างกันไปเหมือนกับโทษทางทางโลกติดคุกห้าปีบ้างสิบปีบ้างยี่สิบปีบ้างไม่ถูกไม่ถูกจำคุกบ้างถูกปราบบ้างอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความหนักเบาของ โทษที่ได้ทำต่อผู้อื่นกดแห่งกรรมก็คล้ายๆกันทำบาปมากก็จะทุกมากทุกนานทำบาปน้อยก็ทุกน้อยทุกไม่นานแล้วแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทำบาปว่าทำความเสียหายให้กับผู้อื่นมากน้อยเพียงไรนี่คือ ผลที่จะเกิดขึ้นกับจิตใจถ้ามีการกระทำบาปละเกิดขึ้นตั้งแต่ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่ว่าผลที่ทำบาปนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะตอนที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเท่า น, นั้นตอนที่อยู่ก็มีผลต่อจิตใจจิตใจจะไม่มีความสุขเวลาทำบาป จิตใจจะมีความทุกข์มีความไม่สบายใจมีความหวาดกลัวมีความวิตกกังวลต่างๆเพราะรู้ว่าทำอะไรผิดทำอะไรเสียหายจะต้องมีผู้ที่เขาเสียหายเดือดร้อนมาตามอาฆาตพยาบาทมาลางแค้นนั่นเองอันนี้คือผลบาป ทำปุ๊บผลปรากฏขึ้นในใจทันทีไม่เชื่อลองสังเกตดูเวลาทําบาปแล้วใจเราสบายใจเราเป็นปกติหรือไม่หรือไม่เป็นปกติมีความรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาทันทีอันนี้เป็นผลขณะที่มีชีวิตอยู่แต่พอหลังจากที่ตายไปแล้วผลยังปรากฏต่อไป คือถ้าใจมีบาปมากกว่าบุญบาปนี้จะเด่งใจไปรับผลบาปก่อนผลบาปก็คือไปเกิดในอบายสีที่นี้ถ้าไปได้ร่างกายก็เป็นร่างกายของสัตว์เดรัจฉานถ้าไปได้ดวงวิญญาณที่หิวโหยก็เรียกว่าเปรตถ้าได้ดวงวิญญาณที่หวาดกลัวก็เรียกว่าสุนทรกาย ถ้าได้วดวงวิญญาณที่เครียดแค้นอาฆาตปราบาทก็เรียกว่านารกเนี่ยดวงจิตดวงใจทําบาปนี่ขณะที่ทําบาปนี้ทําด้วยสาเหตุต่างกันไปผลจึงมีปรากฏต่างกันมาทําบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้นี่ท่านก็บอกว่าผลของการทําบาป ด้วยความหลงก็คือการไปเกิดเป็นเดรัจฉานทําบาปด้วยความโลภก็จะไปเป็นดวงวิญญาณที่เรียกว่าเปรตมีแต่ความหิวโหยทําบาปด้วยความกลัวก็จะไปเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัวทําบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทก็จะไปเป็นดวงวิญญาณที่มีความ อาฆาตพยาบาลความรุ่มร้อนเครียดแค้นอยู่ภายในใจนี่คือผลที่ตามมาหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วแล้วหลังจากที่ได้ใช้กรรมในอบายหมดแล้วก็จะถูกปล่อยให้ออกมาจากอบายมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่ก็จะมาเป็นมนุษย์ที่มี ความอาภัพในวาสนาเกิดแบบยากจนบ้างเกิดแบบโง่เขลาเบาปัญญาเกิดแบบไม่สมประกอบอาการไม่ครบสามสิบสองหูหนวกตาบอดคือเกิดในสภาพที่ไม่ดีแต่ทำไมคนเราในโลกนี้จึงมาเกิดไม่เหมือนกันบางคนเกิดแบบ ทุกยากน้าบากบางคนเกิดอย่างสุขอย่างสบายข้อพ้อนี้คืออนิสง์ของการทาบาปทาบุญนี่เนี่ดังนั้นถ้าเราไม่ทําบาปผลต่างๆเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นกับเราเราจะไม่มีความรู้สึกไม่สบายใจเวลาที่เราไม่ได้ทําบาปนี่เรามีชีวิตอยู่เราอยู่อย่างสบายใจ เห็นเจ้าหนะ้าที่ตำรวจเราก็ไม่หวาดผวาแต่ถ้าเราทำบาปนี่ใจเราจะหวาดผวาอยู่เรื่อยๆจะไม่สบายใจอันนี้จะไม่มีถ้าเราไม่ทำบาปแล้วถ้าเราตายไปเราก็จะไม่ไปเกิดในอบายเราจะไปเกิดเป็นมนุษย์ต่อและเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ ก็จะไม่มาเกิดแบบอาภัพวาสนาก็จะเป็นตามที่เราเคยเป็นอยู่ในภพนิชาตินีอ้อันนี้คือผลของการกระทำบาปที่ไม่เป็นสิ่งที่ดีต่อจิตใจของพวกเราพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรามาละการกระทำบาปทั้งปวง ละด้วยการไม่เสพอบายามุกเพราะถ้าเสพอบายามุกแล้วจะทําให้เราไปทําบาปได้ง่ายเพราะอะไรเพราะว่าอบายามุกนี้ไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายอะอบายามุกมีอะไรบ้างหนึ่งมีการดื่มสุรายามเมาสองเล่นการพนันสามเที่ยวเตรสี่เกียรติค้าน ถ้าคบคนชอบอบายามุกเป็นมิตรเนี่ยการกระทําเหล่านี้มันจะทําให้เราสูญเสียทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปเรื่อยๆมันจะทําให้เราไม่ไปทํางานทําการสมาหากินแบบซื่อสัตว์สุดจริตพอเงินทองที่เราใช้ไปกับอบายามุกมันหมดลงหรือไม่พอใช้ มันก็จะทำให้เราต้องไปทำบาปเพื่อที่จะหาเงินทองมาใช้ต่อนั่นเองแต่ถ้าเราไม่เสพใบายามุกนี้เราจะสามารถรักษาเงินทองได้และเราจะมีเวลาไปทำมาหากินหารายได้มาเพิ่มเติมได้เราก็จะมีเงินทองพอกินพอใช้ไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำบาปนั่นเอง ดังนั้นถ้าเราอยากจะละการกระทําบาปเราก็ต้องละอบายามุขด้วยอย่าดื่มสุราอย่าเล่นการพนันอย่าเที่ยวเตะอย่าเกียรติร้านอย่าคบคนชอบอบายามุขเป็นมิตรเพราะถ้าคบกับคนชอบดื่มสุราเขาก็จะชวนเราไปดื่มสุราครบกับคนชอบเที่ยวเขาก็จะชวนเราไปเที่ยว คบกับคนชอบเล่นการพนันเขาก็จะชวนเราไปเล่นการพนันคบกับคนเกลียดค้านเขาก็จะชวนให้เราเกลียดค้านพอเราทําตามเขาเดี๋ยวเราก็เป็นเหมือนเขาเดี๋ยวเราก็ต้องไปทําบาปทํากรรมนะนี่คือวิธีปิดประตูบายวิธีห้ามความทุกข์หรือกําจัดความทุกข์ ที่เกิดจากการกระทำบาปความทุกข์ของเรายังมีอีกหลายอย่างแต่อย่างน้อยถ้าเราไม่ทำบาปเราก็ได้กาจัดไปส่วนหนึ่งแล้วยังมีอีกส่วนที่ยังเหลือที่เราจะต้องมากาจัดต่อไปด้วยการกระทำตามคำสอนอีกสองข้อนะข้อที่สองท่านสอนให้เราสร้างบุญสร้างกุศลตั้งหลายให้ถึงพร้อม เพราะการสร้างบุญสร้างกุศลนี้เป็นการสร้างความสุขให้กับใจธรรมดาถึงแม้เราจะไม่ทำบาปเราไม่มีความทุกข์แต่เรายังจะรู้สึกว่าเราไม่มีความสุขไม่มีความสุขใจอิ่มใจจาอยากจะมีความสุขใจอิ่มใจก็ต้องทำบุญทำกุศลกันเหมือนกับร่างกายถึงแม้ไม่หิวข้าว แต่ถ้าไม่ได้กินข้าวมันก็ไม่รู้สึกอิ่มมันจะรู้สึกเฉยๆแต่ถ้าได้กินข้าวด้วยมันจะทำให้รู้สึกมีความสุขขึ้นมาเราจึงกินกันบ่อยชอบกินเรื่อยๆเวลาใดที่เราไม่มีความสุขถึงแม้ไม่หิวเราก็หาของกินกันเซึ่งความจริงเป็นความหิวของใจมากกว่าเป็นความหิวของร่างกาย ร่างกายเรากินพอแล้วกินตามมื้อก็พอแล้วส่วนเวลาหิวระหว่างมื้อนี่ขอให้เรารู้ว่าเป็นความหิวของใจไม่ใช่เป็นความหิวของร่างกายใจก็อยากจะมีความอิ่มมีความสุขเหมือนกับร่างกายเพียงแต่เราไม่รู้จักวิธีให้ความอิ่มความสุขกับร่างกายกับจิตใจเราก็เลยทำแบบร่างกาย พอใจหิวก็พาร่างกายไปกินขนมไปกินเครื่องไปดืมด่มเครื่องดื่มมันก็ทำให้รู้สึกอิ่มสักพักหนึ่งแต่อิ่มเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็หิวขึ้นมาอีกแต่ถ้าเราเอาอาหารของใจมาให้ใจรับประทานคือเอาบุญเอากุศลมาให้ใจรับประทานใจจะอิ่มไปนานเลยทำทีนึงอิ่มไปเป็นหลายหลายวันเลยแต่ถ้าทำตามแบบ หิวก็ให้กินทางร่างกายมันก็อิ่มเดียวเดียวชั่วโมงสองชั่วโมงก็หิวอีกล่ะเดี๋ยวก็อยากกินอีกล่วเดี๋ยวก็อยากดื่มอีกล่ะแต่ถ้าไปทำบุญทำทานแทนเอาเงินที่จะมาซื้อของกินซื้อขนมนี้ไปทำบุญทำทานแทนจะทำให้ใจอิ่มไปทั้งวันอิ่มไปหลายวันเลยพระพุทธเจ้าถึงสอนว่าเราต้องมา ให้ความสุขกับใจของเราด้วยการทำบุญกันนะเพราะถ้าเราไม่ทำบุญเดี๋ยวเราไปให้ความสุขแบบอื่นมันจะกลายเป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจคือถ้าเราไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายให้กับจิตใจมันก็จะกลายเป็นพิษเป็นภัยเพราะความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้มันเป็นเหมือนยาเสพติด มันไม่ได้เป็นอาหารเวลาเสพก็มีความสุขกันแต่เสพแล้วมันติดมันต้องเสพอยู่เรื่อยๆและเวลาไม่ได้เสพก็จะทุกข์ทรมานแล้วก็จะทําให้ติดกับการเสพอย่างนี้ไปทุกภพทุกชาติพาให้ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆเพราะเราติดรูปเสียงกลิ่นรสนี่ติดยาเสพติดของของใจ คือรูปเสียงกลิ่นรสผลพพะที่เวลาที่ใจหิวเราก็หารูปเสียงกลิ่นรสผลพพะมาให้มันเสพผ่านทางร่างกายเพราะต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายเสเพรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะ เช่นเวลาเราหิวทางใจแล้วเราก็หาเครื่องดื่มมาดื่มหาขนมมากินอันนี้ก็เป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลถะอหเืยไปดูหนังฟังเพลงอันนี้ก็เป็นรูปเสียงกลิ่นรสหรือไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆหรือไปซื้อของแปลกๆใหม่ๆที่แปลกหูแปลกตาเห็นแล้วทำให้อยากได้ได้มาแล้วเกิดความสุขเดียวเดียวอันนี้ก็ เป็นการเสพยาเสพติดทางใจเสพรูปเสียงกลิ่นลดปฎิภาปพุทธเจ้าบอกนี่ไม่ใช่วิธีหาความสุขให้กับใจพราเป็นการหาความทุกข์เหมือนกับเปรียบเทียบเหมือนกับร่างกายถ้าเราหายาเสพติดมาให้ร่างกายเสพเนี่ยร่างกายก็จะไม่สบายได้ เดิมโชยามากๆ ก, ก็เป็นโรคตับแข็งได้สูบบุหรี่มากๆ ก, ก็เป็นโรคปอดอมะเร็งในปอดได้โรคถุงถุงอะไรถุงโป่งพองขึ้นมาอถ้าไปเสพของต่ตางๆเหล่ า, านี้มันก็จะเป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายแต่ถ้าอาอาหารให้ร่างกายรับประทานก็จะไม่เป็นพิษเป็นภัยกับร่างกาย ฉันใดใจก็มียาเสพติดมีอาหารเหมือนกันยาเสพติดของใจก็คือพวกรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่เราเสกกันด้วยความอยากนี่เองส่วนอาหารของใจก็คือการทําบุญต่างๆเช่นในช่วงนี้มีช่วงทอดกถินกันเช่วงนี้ญาติโยมก็จะได้ได้กินอาหารกันได้ทอดกถินกันได้ทาบุญทํากุศลกัน ความจริงน่าจะมีทั้งปีนะจะได้ <c oughs> จะได้ไม่ต้องไปเที่ยวกันเอาเงินไปทอดกระถินทอดอป้าป่ากันดีกว่าเอาเงินไปดูหนังฟังเพลงไปช้อปปิง้งไปกินไปดื่มไปดูไปฟังอะไรต่างๆาถ้ารัดใจเราหิวต้องให้อาหารใจอย่าไปให้ยาเสพติดเพราะให้แล้วมันจะติดมันจะเป็นพชษเป็นภัย เวลาไม่ได้เสพมันจะทรมานไม่เหมือนกับเวลาทําบุญเวลาไม่ได้ทําบุญจะไม่ทรมานเวลาทําบุญมีความสุขเวลาไม่มีเวลาหรือไม่มีเงินจะทําบุญจะไม่มีพิษเป็นภัยจะไม่มีผลเสียหายหต่อจิตใจแล้วจะไม่ดึงให้จิตใจกลับมาเวียนว่ายตายเกิดแต่ถ้าเสพหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสนี่มันก็จะเดินให้กลับมาเกิดในกรรมมาพบอยู่เรื่อยๆ กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดามาเสพรูปเสียงกลิ่นรสชนิดต่างๆถ้าทำบาป ก, ก็ไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายไปตกนรกดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรามาให้อาหารกับจิตใจด้วยการทำบุญทำกุศลกัน อย่าไปให้อาหารอย่าไปให้ยาเสพติดกับใจด้วยการไปเสพรูปเสียงกิน่นรโผลทพพระชนิดต่างๆนี่คือข้อที่สองให้เรามาให้อาหารกับใจด้วยการทําบุญทํากุศลบุญก็มีหลากหลายชนิดด้วยการทํากับไข่ก็ได้บุญอยู่ที่การเสียสละแบ่งปัน เวลาเราเอาเงินทองของเราไปให้คนอื่นไปช่วยเหลือคนอื่นจะให้ใครก็ได้ให้พระก็ได้ให้บิดามารดาก็ได้ให้ปู่ย่าตายายให้ญาติสนิทมิตรสหายก็ได้ให้โรงเรียนให้โรงพยาบาลให้วัดให้ใครก็ได้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเวลาให้เขาแล้วเราจะมีความรู้สึกสุขใจอิ่มใจขึ้นมา อันนี้แหละคืออาหารของใจที่แท้จริงนะคนทุกครั้งที่รู้สึกว่าหิวใจอยากไปเที่ยวนี่แสดงว่าใจหิวแล้วใจเคยติดยาเสพติดคือการเที่ยวเราต้องเปลี่ยนจากการให้ยาเสพติดมาเป็นการให้อาหารเปลี่ยนจากการไปเที่ยวมาไปทําบุญแทนทุกครั้งที่อยากไปเที่ยวก็ไปทําบุญทุกครั้งที่อยากไปช้อปปิง้งไปซื้อของฟุ่มเฟือย ของไม่จาเป็นก็ไปทำบุญทุกครั้งที่อยากจะไปหาความสุขจากการดูการฟังการกินการดื่มการเล่นอะไรต่างๆก็ไปทำบุญดีกว่าแล้วต่อไปจะไม่ติดยาเสพติดเหลานี้ต่อไปจะไม่มีความอยากเที่ยวไม่มีความอยากจะไปช้อปปิ้งไม่มีความอยากจะไปดูหนังฟังเพลงไปทำอะไรต่างๆ นี่คือประโยชน์จะได้ได้กำจัดโทษที่มันติดอยู่ในใจเรามาเป็นเวลายาวนานพวกเราที่มาเกิดนี้เพราะเรายังติดรูปเสียงกลิ่นนรดกันอยู่ติดยาเสพติดทางใจกันอยู่จึงพาให้เราต้องมามีร่างกายกันมาเกิดเป็นมนุษย์กันหรือมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าเราไปทำบาปเนี่แต่ถ้าเรามาทำบุญแทนมา หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่อไปเราก็เลิกได้ต่อไปเราก็เลิกหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสได้เลิกเที่ยวได้ทุกครั้งอยากจะเที่ยวก็ไปทำบุญทุกครั้งอยากจะชอปปิ้งก็ไปทาบุญทุกครั้งอยากจะไปดูไปฟังไปกินไปเดิมก็ไปทำบุญต่อไปความอยากต่างๆเหล่านี้จะหายไปเรียกว่ากามชันทัศจะหายไป พอการมัชฌันทะหายไปจิตมันก็จะเย็ยนลงจิตมันก็จะสบายขึ้นแล้วมันก็จะเห็นคุณค่าของการทําจิตให้สงบว่าเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปเสพรูปเสียงกลดิ่นรสก็จะทําให้มีกํำลังที่จะไปทํําคาทําตามคําสอนขั้นที่สามคือให้มาซักพอกจิตใจให้สะอาด ให้กำจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่ยังมีหลงเหลืออยู่บางส่วนก็ได้ถูกกำจัดไปด้วยการไม่ทำบาปแล้วบางส่วนก็ได้ถูกกำจัดไปด้วยการทำบุญทำกุศลแล้วแต่ยังมีส่วนที่ยังยังไม่หมดที่ยังติดอยู่ในใจที่จะต้องใช้อีกวิธีหนึ่งคือต้องใช้การซับฟอกจิตใจการซับฟอกจิตใจก็ ต้องทำสองระดับด้วยกันระดับแรกคือสมถภาวนาคือการทำจิตใจให้สงบก่อนให้จิตมีความสุขเกิดที่เกิดจากความสงบก่อนแล้วก็มาซักพอกิเลสตัณหาด้วยวิปัสสนาเพราะกิเลสตัณหานี้จะไม่หลุดด้วยการทำใจให้สงบแต่ถ้าทำใจไม่สงบใจจะไม่มีกำลังที่จะไป กำจัดความโลภความอยากต่างๆได้จึงต้องทําขั้นที่หนึ่งก่อนคือสมถะภาวนามาสร้างความสุขให้กับใจก่อนทําใจให้สงบเมื่อใจสงบแล้วจะมีความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการทําตามความอยากต่างๆพอต่อไปเวลาเกิดความอยากขึ้นมาก็ฝืนความอยากได้ หรือกลับไปหาความสุขจากการทําใจให้สงบได้ก็ไม่ต้องไปทําตามความอยากเมื่อไม่ทําตามความอยากต่อไปความอยากต่างๆมันก็จะเจืีจางไปหายไปในที่สุดเนี่ยพอความอยากต่างๆหายไปหมดความทุกข์ความวุ่นวายใจที่เกิดจากความอยากก็จะหายไปหมดใจก็จะสงบอย่างท้าวหวาน พอไม่มีอะไรมาทำให้ใจวุ่นวายอีกต่อไปนั่นเองเหมือนสระน้ำเนี่ยสระน้าถ้ามีคนไปไว่ายน้ำไปเล่นน้ำไปกระโดดน้ำน้ำมันก็จะกระเพื่อมตลอดเวลาแต่พอไม่มีใครไปเล่นน้ำไม่มีใครไปกระโดดน้ำน้ำในสระมันก็จะนิ่งสงบจิตใจเราก็เป็นเหมือนน้ำในสระเนี่ย ความโลภความอยากต่างๆนี่ก็เป็นเหมือนกับคนที่ไปเล่นน้าในสระพอไปเล่นน้าในสระมันก็ทำให้น้าในสระกระเพิ่อมพอมีความโลภความอยากมันก็ทำให้ใจกระเพิ่อมพอใจกระเพิ่อมใจก็ไม่มีความสุขใจมีความสุขก็ต่อเมื่อใจสงบนิ่งนั่นเองอันนี้ถ้าเราปฏิบัติแล้วเราจะเห็นความแตกตา่างทันที ระว่างเวลาที่กิเลสตัณหาทางานกับเวลาที่กิเลสตัณหาไม่ทำงานว่ามันต่างกันเหมือนนรกกับสวรรค์ลเลยเวลากิเลสไม่ทำงานเวลาจิตสงบนี้จิตมีความสุขมากแต่พอกิเลสทางานเริ่มโลภเริ่มอยากขึ้นมาปั๊บใจวุ่นปวดขึ้นมาทันทีความสงบที่ได้จากสมาธิหายไปหมดเลย ช่วงนั้นนะ่ะถึงจะต้องใช้วิปัสสนาใช้ปัญญามาพิจารณาเปรียบเทียบให้เห็นคุณเห็นโทษของความโลภของความอยากถ้าไม่มีความสงบมาเปรียบเทียบมันจะไม่รู้ว่าความสงบกับความไม่สงบนี้มันต่างกันอย่างไรดังนั้นเราต้องมาสร้างความสงบก่อนเพราะพวกเราตั้งแต่เกิดมาคิดว่าไม่เคยเจอความสงบกันเลยมีแต่ความวุ่นวายใจตลอดเวลา ทั้งตื่นทั้งหลับนอนหลับก็ยังฝันเรื่องนั้นเรื่องนี้วุ่นวายใจไปกับเรื่องต่างๆได้เด่นขึ้นมาก็เริ่มวุ่นวายใจตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยวุ่นไปทั้งวันเพราะความโลภความอยากพาให้ไปวุ่นนั่นเองแต่พอเรามาฝึกสมถธภาวนากันมาควบคุมจิตใจให้สงบกันเอากำจัดคนที่กระโดด น, น, น้ำว่ายน้ําออกไปจากสะให้หมด ให้เขานั่งเฉยๆบ้างอยา่าอย่าไปเล่นน้ําอย่าไปกระโดด น, น้ําแล้วดูสิว่าน้ําในสระจะเป็นอย่างไรน้ําในสระมันก็จะนิ่งจะสงบนใจของเราก็เหมือนกันพอเราหยุดความโลภความอยากได้ชั่วคราวนี้ใจก็จะนิ่งจะสงบเราจะเกิดความสุขที่เราไม่เคยพบมาก่อนนไม่มีสุขใดที่เหนือกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบน นี่คือคําพูดของพระพุทธเจ้านัตติสันติบาลังสุขขังสุขที่เหนือกว่าความสงบไม่มีพอเราสามารถทำใจให้สงบได้แล้วเราจะรองอ๋อเข้าใจแล้วว่านัตติสันติบาลังสุขขังนี้เป็นอย่างไรเราเห็นโทษเห็นภัยของจิตใจเวลาที่เกิดความโลภความอยากต่างๆขึ้นมา เห็นจิตใจร้อนเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาเห็นจิตใจวุ่นวายฟุ้งซ่านเครียดจนกินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยอันนี้จะจะได้เห็นความเปรียบเทียบเห็นผลของ ของเห็นวีดกรรมของกิเลสตัณหาว่ามันสร้างวีดกรรมอะไรให้กับจิตใจของพวกเรามันสร้างความเครียดสร้างความรุ่มร้อนใจสร้างความวุ่นวายใจสร้างความฟุ้งซ่านให้กับใจของเราถ้าปล่อยให้กิเลสตัณหามันออกมาแสดงบทบาทมันจะเป็นอย่างนี้พอเราจับมันเข้าไปในโลงได้นี่พอมันนอนอยู่เฉย ทุกอย่างจะสงบลงทันทีจิตใจจะสงบนิ่งเย็นสบายเบาอกเบาใจอิ่มเอิบใจสุขใจเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นนะนี่ขั้นแรกต้องทำให้ใจเป็นอย่างนี้ให้ได้ก่อนต้องทำให้ใจสงบให้ได้ก่อนถึงจะสามารถมาเปรียบเทียบถึงใจที่ไม่สงบได้ว่าเป็นอย่างไร เราจะได้เห็นโทษของผู้ที่มาทำใจให้ไม่ไมสงบก็คือกิเลสตัณหานี่เองที่จะต้องกําจัดมันให้ได้แ ล, และการจะกําจัดมันให้ได้ก็คือใช้เหตุใช้ผลอย่างที่พูดอยู่นี่แหละเปรียบเทียบถึงการที่ปล่อยให้กิเลสตัณหามันมีบทบาทกับการไม่ให้มันมีบทบาทอย่างไหนจะดีกว่ากัน เวลามันมีบทบาทแล้ววุ่นวายไปหมดเวลามันไม่มีบทบาท น, นี้สงบเงียบเย็นสบายท่านี้ก็เห็นโทษของกิเลสตัณหาแล้วพอเห็นโทษแล้วเท น, นี้มันอยากก็จะไม่ทำตามมันหรือถ้ายังฝืนมันไม่ได้ก็ยังมีมีอย่างอื่นมาคอยสกัดมันอีกคือสิ่งที่มันอยากได้นี้เนะ่มันถูกความหลงหลอกให้เห็นว่าเป็นสุข แต่ความจริงมันเป็นความสุขชั่วคราวมันไม่เที่ยง ม, มันไม่ถาวรเราเรียกว่าเป็นความสุขปลอมได้มาแล้วเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนไปจากสุขมันจะกลายเป็นทุกข์เวลามันเปลี่ยนไปเวลาได้ของใหม่ๆเอามาใช้มันใช้ได้ดีทุกอย่างก็มีความสุขพอวันดีคืนดีมันเริ่มเสียขึ้นมา ทีนี้ความสุขที่เคยได้จากมันก็หายไปความทุกข์ก็จะมาแทนที่ทุกข์เพราะว่าจะต้องไปซ่อมมันนะต้องไปเปลี่ยนมันแล้วต้องไปทําอะไรกับมันแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งถ้ายังไม่เห็นโทษของการปล่อยให้ความอยากมันออกมาเพ่นพ่านปล่อยให้มันไปทําตามความอยากก็ต้องเห็นผลที่จะตามมาหลังจากไปทําตามความอยากแล้ว เพราะการไปทำความอยากนี่มันมีจุดมุ่งหมายคือการไปเอาความสุขกันทั้งนั้นแหะที่อยากได้นูน่นอยากได้นี้เพราะคิดว่าได้แล้วจะมีความสุขแต่พอได้มาแล้วเดี๋ยวมันเปลี่ยนไปสิพอมันเปลี่ยนไปความสุขมันก็หายไปกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาหรือถ้ามันไม่เปลี่ยนมันหายไปเลยก็ทุกข์ขึ้นมาอีกซื้อรถมาใหม่ๆใช้ได้สามวันหายไป ดูสิจะมีความรู้สึกอย่างไรสุขตอนที่ออกจากขับรถออกจากร้านมามีความสุขมากไปจอดอยู่เผลอปับ๊บไม่รู้ขคเอาขอโมยไปแล้วสุขเดียวเดียวทีนี้ทุกข์แสิเครียดกับการที่จะต้องไปหารถต้องไปแจ้งความต้องไปอะไรแล้วก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่า น, นี่ยกตัวอย่างของการที่เราจะใช้เหตุผลคือปัญญานี้ มาสกัดความอยากมาหยุดความอยากหรือไม่ไปทำตามความอยากถ้าเห็นว่าการให้ความอยากปรากฏขึ้นมาในใจนี้มันทำให้ใจเราวุ่นแล้วแล้วยังหยุดมันไม่ได้ก็ต้องใช้เหตุผลผลที่จะตามมาถ้าเราปล่อยให้เราไปทำตามความอยากกันมันก็จะพาให้เราไปสู่ความเสียใจสู่ความทุกข์ใจ เพราะสิ่งที่เราได้มาไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องเปลี่ยนไปเรือหมดไปนี่คือขั้นตอนขั้นที่สองของการภาวนาของการชำระความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจเราไม่สามารถกําจัดได้ด้วยขั้นที่หนึ่งคือสมถะ ภ, ภาวนาคือการทำใจให้สงบเวลาทำใจให้สงบนี้เราเพียงกดบันไว กดความอยากไว้หรือมัดมือมือมัดมื อ, ม, ม, อมัดเท้ามันไว้ชั่วคราวท่านเปรียบเทียบความสงบนี้เหมือนกับเอาหินไปทับหญ้าเวลาเอาหินไปทับหญ้าหญ้านี้มันก็จะงอกงามขึ้นมาไม่ได้แต่พอเราออกจากสมาธิก็เหมือนกับเราเอาหินที่ทับหญ้านี้ยกออกไปพอยกออกไปเดีย๋ยวหญ้าได้น้ำได้ได้อากาศได้ ได้แสงแดดเดี๋ยวมันก็งอกงามขึ้นมาใหม่ได้ชั้นใดการเข้าสมาธิก็เหมือนกันเราก็เข้าได้เป็นพักๆเราต้องออกม า, พาเพราะกําลังของเราที่จะควบคุมให้จิตสงบตลอดเวลาเราไม่มีกําลังพอสองมีความกดดันทางร่างกายที่จะทําให้เราต้องออกมาดูแลร่างกาย นั่งสมาธิไปเดี๋ยวนานๆน่างกายก็เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้หรือต้องเข้าห้องน้ําห้องท่าหรือหิวน้ําอะไรต่างๆก็อยู่ในสมาธิไม่ได้ไปตลอดไม่ช้าก็เร็วก็ต้องออกจากสมาธิมาพอออกสมาธิมาก็เหมือนเอาหินที่ทับหญ้ายกอยอกไปหญ้าก็เหมือนกิเลสเวลาเข้าสมาธิก็เหมือนมีอะไรมามัดมันไว้ไม่ให้มัน ทำวีรกรรมต่างๆแต่พอออกจากสมาธิมามันก็เริ่มวาดลวดลายเริ่มออกมาโลภอยากได้สิ่งนั้นอยากมีสิ่งนี้อยากดูนั่นอยู่นี่ฟังนุ่นฟังนี่ขึ้นมาอพอเกิดความอยากความสงบที่ได้มันก็เริ่มหายไปใจก็เริ่มกระเพิ่มขึ้นมาทันทีถ้าผู้ปฏิบัตินี้จะเห็นชัดแล้วจะต้องรู้แล้วว่าเวลานี้ต้องเป็นเวลาวิปัสสนาแล้ว ใจไม่สงบนะรู้แล้วว่าตัวที่ทำให้ไม่สงบก็คือกิเลสตัณหาฉะั้นถ้าต้องการให้ใจสงบก็ต้องเห็นผลที่เกิดจากการไปทำตามกิเลสตัณหาว่ามันไม่ได้พาเราไปสู่ความสุขมันพาเราไปหาความทุกข์โดยไม่รู้สึกตัวเหมือนปลาที่ที่ไปหาเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดนี่ปลาที่ไม่ฉลาดไม่เห็นสายเบ็ดก็คิดว่าเป็นเหยื่อรุนรุน แต่ปลาที่มีปัญญาจะเห็นว่าให้มันมีเชือกอะไรห้อยอยู่ด้วยเชือกนี้มันน่าจะอันตรายอย่าไปอย่าไปฮุบเหยื่อดีกว่าฮุบแล้วเดี๋ยวโดนเชือกมันเกี่ยวคอเอามีเบ็ดติดอยู่ปลายเชือกเกี่ยวคอเอาอันนี้คือผู้มีปัญญาพอม่เกิดความอยากขึ้นมาอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากจะทํานุ่นทนํานี่จะต้องเห็นทุกตา ม, มาทันที เพราะว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวเพราเห็นเป็นความทุกข์แล้วมันก็จะไม่เอามันก็จะไม่ไปฮุบเหยื่อมันก็จะไม่ถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากมันก็จะไม่ติดเนี่ยพอไม่ไปทําตามความอยากแล้วต่อไปมันก็จะไม่ติดความอยากมันก็จะหายไปคนที่อยากสูบบุหรี่พอรู้ว่าสูบบุรีเป็นพิษเป็นภัยก็ไม่สูบพอไม่สูบต่อไปความอยากมันก็หมดไป นี่คือวิธีการของปัญญาหรือวิปัสสนาต้องตามมาหลังจากสมระก่อนเพราะถ้าไม่มีสมรถ h a จะไม่มีอะไรมาเปรียบเทียบให้เห็นของคุณลโทษของกิเลสตัณหาว่ามันเป็นอย่างไรเวลากิเลสตัณหาไม่ทางานนี้จิตเย็นสงบสบายเหมือนได้ขึ้นสวรรค์เหมือนได้ไปนิพพานแต่พอกิเลสออกมาปั๊บนี่เหมือนตกนรกทันที ใจรุ่มร้อนวุ่นวายใจขึ้นมาทันทีต้องเห็นอย่างนี้เห็นจากภาคปฏิบัติไม่ใช่เห็นจากการฟังการฟังนี้ยังอาจจะนึกภาพออกแต่มันไม่ถึงใจเหมือนกับเจอของจริงโอ้ยเวลามันสุขมันสุขจริงๆเวลามันทุกข์มันทุกข์จริงจริงนะในภาคปฏิบัติ มือแล้วมันก็จะทําให้เห็นโทษจริงๆของกิเลสตัญหาเห็นคุณของสติปัญญาแล้วมันก็จะพยายามทุ่มเทใช้สติปัญญามาสอนใจให้เลิกทําตามความอยากแล้วมันก็จะทําได้เพราะมันรู้ว่าผลมันเกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรถ้าตามตามความอยากผลอะไรจะเกิดขึ้นถ้าไม่ทําตามความอยากถ้าต้องการความสุขก็ต้องไม่ทําตามความอยาก ถ้าต้องการทาถ้าต้องการความทุกข์ก็ทำตามความอยากเมื่อมันรู้แล้วว่าทำแล้วต้องทุกข์มันก็ไม่เอาไม่มีใครอยากจะทุกข์กันก็จะเอาแต่ความสุขเอาความสุขก็ต้องไม่ทำตามความอยากกลับมาพุโทโธพุโทโธควบคุมใจไม่ให้ไปทำตามความอยากฝืนความอยากเดี๋ยวใจก็นิ่งสงบก็หยุดความอยากได้ทีนี้จะหยุดอย่างถาวอนแะเพราะเห็นด้วยปัญญา ไม่ได้ทำด้วยสติทำด้วยสติด้วยทำด้วยปัญญาด้วยต้องใช้สติคอยดึงไว้ใช้ปัญญาคอยเตือนว่าอย่าไปทางนั้นทางนั้นอันตรายทางสู่ความทุกข์ทางสู่การเวียนว่ายตายเกิดถ้ามาทางนี้แล้วไปสู่ความสงบไปสู่พานิชพานเมื่อเห็นหนัางนี้แล้วต่อไปก็จะไปถึงพานิพพานได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ นี่คือผลที่จะเกิดจากการมาทำธุระที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้กับพุทธบริษัทมากระทํากันในวันพระคือคัมถะธุระและวิปัสสนาธุระศึกษาคำสั่งคำสอนแล้วปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนแล้วผลนานเลิศอันประเสริฐคือมรรคผลนิพพานก็จะเป็นสิ่งที่จะตามมาต่อไป การแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้ผ่อนยะถาวะริวาหาบุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินนางเดตานางอุปกาปติ อิทิฏังปฏทิฏังตุมหังกิปะเมวะสมิจโตุสะเพโเรนณตุสังกปายันโทปนาราโสยธามณีโชติราโสยธาสัพพิติโยวิวัจฉันตตสัพพารโควินาศสตต มาเตภวตงอันตราโยสุขีทีคายุโกผวะอภิวาธนสีลิสะนิจจังวุธาปจายโนจตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโอสุขังภาลัง ต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถามใครอยากจะถามอะไรถามได้ในตอนนี้ตอนเดียวหลังจากเลิกแล้วก็หยุดถามวันนี้ทางบ้านติดตามกันเท่าไหร่วันนี้ทางเฟซบุ๊กเข้ามา311ย t u b e 350วิทยุออนไลน์19รับฟังข้างบนนี้95คนรวมทั้งหมด775ครับอืม ใครอยากจะถามถามได้นะยกมือขึ้นมาจะส่งไมโครโฟนไปให้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็แล้วส่งไมโครโฟนไปโปตส่งไปให้คุณผู้หญิงนี่อะไรเน่กรามธรรมศส ก, การพระอาจารย์ค่ะ โยมขับรถมาจากกรุงเทพมาตามหาค่ะคือโยมมีคําถามว่าในการโยมปฏิบัติมาสักพักหนึ่งแต่โยมมีความรู้สึกเหมือนว่าโยมป้นเปี้ยนป้นเปี้ยนอยู่แถวกระดไม่ได้ขึ้นกระด ai ะค่ะโยมก็เลยไม่ทราบว่ า, าการปฏิบัติของโยมเนี่ยมันเป็นยังไงกันมั่งคือเวลาเดินจงกรมเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเราไปอยู่ที่ตรงหน้าเราบ้าง นะคะเหมือนมนอนเราไปเพ่งตรงหน้าบ้างตรงหน้า อ, อกบ้างอะไรเงี้ยค่ะและโยมว่าเอ๊ะการปฏิบัติของโยมนี่เป็นการเพ่งหรือไม่ถูกหรืออะไรหรือเปล่าเนี่ยค่ะคือเรายังจับจุดไม่ได้เรายังไม่เข้าใจวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเราก็เลยลองผิดลองถูกไปตามหลักแล้วการปฏิบัติเบื้องต้นก็คือการเจริญสติ วิธีจารรับสติก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้วิธีไหนบางทีเราสรับสนปนกันไปเอาวิธีนั้นมาใช้กับวิธีนี้เอาวิธีนั้นไปใช้กับวิธีนูน้นมันก็เลยไม่ได้เรื่องวิธีแต่และ ว, วิธีเขามีของเขาเช่นถ้าบริกรรมพุทโธก็ให้จิตอยู่กับคำพุทโธบริกรรมไปไม่ต้องไปสนใจเรื่องลมเรื่องอะไรต่างๆให้อยู่กับพุทโธไปเป็นหลัก เช่นถ้าเราใช้คําบริกรรมพุโทโธฝึกสติไม่ว่าเราจะทําอะไรเราก็พุโทโธไปกับการกระทำํำอาบน้ําเราก็พุโทโธล้างหน้าแปรงฟันเราก็พุโทโธคือเราต้องเข้าใจความหมายต้อหมายของการใช้พุโทโธก็เ พ, เพื่อยับยั้งความคิดเท่านั้นเองไม่ให้ใจเราคิดเรื่อยเปื่อย ธรรมดาเราชอบทําอย่างแล้วก็คิดอย่างอาบน้ําไปก็คิดว่าเดี๋ยววันนี้จะไปเจอเพื่อนฝูงที่ไหนไปกินข้าวกันที่ไหนดีอะไรต่างๆนี่อันนี้เรียกว่าไม่มีสติปล่อยให้ใจคิดถ้าใจคิดใจก็จะไม่มีวันนิ่งวันสงบไม่มีความว่างเราต้องการลบความคิดออกจากใจให้ใจว่างเพื่อใจจะได้เย็นจะได้ใจจะได้สงบเวลานั่งสมาธิจะได้นิ่งอย่างเต็มที่ ถ้าเราใช้คําบริกรรมพุทโธก็ท่องพุทโธไปทันที่จะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็คิดพุทโธไปเท่านั้นเองมีวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งก็ถ้าเราไม่ชอบบริกรรมพุทโธเราก็บังคับให้ใจอยู่กับงานที่เราก็ทําเพียงอย่างเดียวอาบน้ําก็ให้อยู่กับการอาบน้ําล้างหน้าก็ให้อยู่กับการล้างหน้าแปรงฟันก็อยู่กับการแปรงฟันไม่ให้ไปเรื่องอื่นถ้าบังคับได้ บางคนบางคับไม่ได้ก็ใช้พุโทโธเป็นเครื่องช่วยดึงกลับมาก็ได้แล้วพุโทโธนี่คือสมถะหรือเปล่าคะ น, นี่นะการฝึกสติเพื่อให้ได้สมถะไงขั้นต้นต้องผ่านสมถะก่อนถึงจะไปวิปัสสนาได้ถ้ายังไม่มีสมถะไปก็ไปแบบเด็กเด็กล้มลุกคลุกขานไปต้องหัดเดินหัดยืนหัดวิ่งให้ได้ก่อนค่อยไปแข่งมาราธอน ถ้ายังวิ่งไม่ได้ยังล้มลุกคลุกคานอยู่ไปแข่งไม่ได้ถ้ายังไม่มีสมาธิยังไม่มีกําลังที่จะไปวิปัสสนาไปสู้กับกิเลสตัณหาได้ฉะั้นไม่ต้องกังวลเรื่องวิปัสสนาเหมือนกับอย่าเพิ่งไปกังวลเรื่องระดับปริญญาตอนนี้ให้จบระดับมัธยมให้ได้ก่อน เรียนให้จบม .6 ให้ได้ก่อนเรียนอยู่ปถมก็พยายามขึ้นชั้นไปตามลําดับสติของเราก็เป็นเหมือนชั้นอนุบาลชั้นปฐมเนี่ยเริ่มต้นก็ล้มลุกคุกขานเริ่มต้นมันก็ไม่รู้อะไรเลยบางทีต้องไปอยู่ให้เขาฝึกให้ไปเข้าคอสกันใช่ไหมพาเดินสติการพานั่งกันอันนี้เพราะไม่รู้เรื่องเลยชั้นอนุบาลพอรู้แล้วทีนี้ก็ไปทําเองก็ขั้นปฐมเหร นะถ้าทำได้มากขึ้นได้อย่างต่อเนื่องจนมีกำลังก็จะเป็นขั้นมัธยมขึ้นมาพอทำใจให้สงบได้ทีนี้ก็ขึ้นสู่ขั้นระดับปริญญาได้ละเริ่มใช้ไปทางเริ่มไปทางวิปัสสนาต่อไปได้อันนั้นเราจะรู้เองใช่มรู้รู้ก็ต้องมีครูคอยคอยบอกเป็นขั้นเป็นตอนไปบางคนฉลาดก็รู้บางคนไม่ฉลาดก็ไม่รู้คนมันมีหลายระดับปัญญาหลายระดับ บางคนต้องคอยคอยบอกเป็นขั้นเป็นตอนไปถึงขั้นที่หนึ่งแล้วให้ทำอะไรต่อพอถึงขั้นที่สองให้ทำอะไรต่อบางคนก็ต้องบอกบางคนไม่ต้องบอกก็รู้ถ้าฉลาดบางคนคิดเองเป็นก็ไม่ต้องบอกพระอาจารย์แล้วก็คำว่าพิจารณานี่หมายถึงอะไระคะก็นั่นแหละขั้นวิปัสนาเงี้ยการใช้ความคิดขั้นแรกให้หยุดความคิดขั้นที่สองให้ใช้ความคิดยันถ้าเรามาเอา ขั้นที่สองมาใช้กับขั้นที่หนึ่งมันก็ไม่มีวันสาเร็จเพราะว่าเราต้องการหยุดความคิดเราไม่ต้องการใช้ความคิดเราถึงเราถึงไม่วิปัสสนาก่อนเราต้องมาสมถะก่อนมาหยุดความคิดก่อนพอหยุดความคิดได้เราก็จะสั่งให้มันคิดไปในทางปัญญาได้ทางวิปัสสนาได้ตอนนี้ความคิดของเรามันไปทางกิเลสคิดแต่เรื่องอยากได้นู่นอยากมีนี่อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่ ขั้นต่บถ้าเราควบคุมความคิดเหล่านี้ได้ต่อไปเราก็สั่งให้มันอยากไม่เป็นอยากไม่เป็นนั่นอยากไม่เป็นนี่อยากไปนิพพานอยากจะฆ่ากิเลสให้มันคิดไปทางตรงกันข้ามกับที่เคยคิดอันนั้นขั้นปัญญาอาย่าไม่ต้องกังวลขั้นแรกหยุดความคิดให้ได้ก่อน นั่งสมาธิทําจิตใจให้สงบให้ได้ก่อนดเดินเดินจงกรมก็เป็นวิธีเจริญสติเนี mm ่ย hmm. แต่ถ้าต้องการให้สงบนิ่งเป็นสมาธิก็ต้องนั่ง mm hmm. เพราะเดินมันไม่สงบเต็มที่สงบครึ hmm. ่งเดียวห้าสิบเปอร์ซนต์ถ้าอยากจะให้สงบเต็มร้อยนี่ต้องนั่งเฉยๆ mm hmm. เพราะเวลาเดินจิตยังต้องทํางานอยู่จิตเป็นผู้ควบคุมร่างกาย ถ้าต้องการให้หยุดจิตหยุดทำงานร่างกายก็ต้องอยู่เฉยๆจิตจะได้เลิกควบคุมได้ไม่ต้องควบคุมร่างกายจิตก็จะได้หยุดทำงานจะได้นิ่งสงบได้อย่างเต็มที่คำถามจากข้างบนนี้ครับคำถามแรกเวลาทำบุญแล้วจำเป็นต้องกรวดน้ำหรือไม่ครับถ้าคนบุญบา ร, รมีไม่มากจำเป็นต้องใช้น้ำเป็นสื่อจริงไหมครับไม่จริงละน้าไม่ต้องมีน้าไม่เกี่ยวกับบุญ น้ำเป็นตัวอย่างของบุญเพราะบุญเป็นนามธรรมไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเหมือนโทรศัพท์มือถือเนี่ยมีสัญญาณวิทยุเชื่อมต่อกันเราบางทีต้องวาภาพาให้เห็นว่ามือถือตรงนี้มือถือนี้เราขีดเส้นขีดเส้นให้เห็นว่าเส้นนี่คือสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยน้ำนี่ก็เหมือนกับเป็นตัวอย่างของบุญเป็นภาพของบุญให้เราเห็น ภาชนะก็คือใจใจของผู้ให้กับใจของผู้รับเราถึงมีสองภาชนะเข้าใจเราเทน้ำจากภาชนะหนึ่งไปศูนย์อีกภาชนะหนึ่งก็เท่ากับเราส่งบุญจากใจหนึ่งไปสูนอีกใจหนึ่งความหมายอยู่ตรงนั้น ไม่ต้องแต่ถ้าเรารู้แล้วเราก็ไม่ต้องเพราะน้ามันไม่ได้เป็นบุญถ้าซื้อน้ามาแล้วกวดมันไม่ได้บุญต้องไปทำบุญทำบุญแล้วไม่ต้องมีน้ำก็กวดได้อุทิศบุญได้ต้องมีบุญถึงจะอุทิศบุญได้ไม่ใช่คิดว่ากวดน้ำได้กูก็ไม่ต้องทำบุญให้เสียเงินเปล่าตักน้ำขึ้นมาอยากจะอุทิศบุญให้ใครก็อุทิศกวดน้ำไป ไม่ใช่นะนั้นนําไม่จำเป็นแต่ถ้าไปอยู่ที่เขาใช้ก็ใช้กับเขาไปก็ได้เพื่อไม่ให้แปลกแยกเดี๋ยวจะกลายเป็นปัญหาขึ้นมาได้เขาเขาบอกให้กวดน้ำก็กวดไปกับเขาแต่ความจริงเรากวด บุญวิธีกวดบุญก็ให้นึกภายในใจนี่แหละขออุทิศส่วนบุญนี้ที่ได้ทาตอนนี้ให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วชื่อนั้นชื่อนี้ถ้ารอรับส่วนบุญนี้อยู่ก็ขอโปวดมารับไปได้เลยเถิดเนี่ยแค่นี้ก็ถึงแล้วคำถามที่สองเคยอ่านหนังสือเจอท่านบอกว่าทำบุญให้ตั้งจิตถึงท่านพญายมให้ฝากบุญนี้ให้แก่คนชื่อนี้จริงหรือไม่ครับไม่จริงหรอไม่จริง อยู่ที่เราอยู่ที่เราเป็นผู้ตั้งจิตส่งจิตไปส่งบุญไปคำถามจากผู้ฝากถามนั่งภาวนาพุโทโธรู้สึกปวดขาเลยย้ายความรู้สึกมาอยู่กับพัดสะทำอย่างนี้ถูกหรือไม่ครับหรือควรจะกำหนดพุโทโธแล้วสู้กับเวทนาต่อไป ทำวิธีไหนก็ได้ความจริงถ้าทามให้จิตนั่งต่อไปได้ให้มันสงบได้ก็ใช้ได้แต่โดยหลักแล้วคิดว่าอยู่กับพุโทโธจะดีกว่าเพราะอยู่กับพุโทโธนล้นเราจะเลืมความเจ็บได้ถ้าเราไปอยู่กับความเจ็บมันยิ่งขยายความจิตมันไปขยายให้มันเจ็บมากขึ้นถ้าเราอยู่กับพุโทโธความเจ็บมันจะหดลงไปเพราะจิตไม่เป็นไม่ใช่เป็นตัวขยายไม่ได้ไปขยายมัน คำถามจากผู้ฝากถามนะครับเคยมีปัญหาสุขภาพเจ็บปวดทรมานมากครับจึงกำหนดพุทโธเข้าสมาธิความเจ็บปวดก็หายไปแต่พอออกจากสมาธิก็กลับมาเจ็บปวดเหมือนเดิมครับอย่างนี้เรียกว่าสมาธิขั้นใดครับและมีวิธีการแก้ไขอย่างไรครับ ก, ก็ถูกว่านี่ไม่เห็นต้องแก้ไขอะไรถ้าถ้ามันเจ็บอยากจะหนีความเจ็บก็เข้าไปในสมาธิมันก็ ถ้าจิตสงบไม่ไม่ไม่ไม่ทุกข์กับความเจ็บก็ใช้ได้ก็เรียกว่าสมาธิแล้วจะขั้นไหนก็ไม่รู้ล่ะคุณก็ต้องเปรียบเทียบดูมันมีหลายขั้นอ่ะก็ปฏิบัติไปมันก็จะเห็นเองว่าขั้นนี้ดีกว่าขั้นลึกกว่าขั้นนั้นขั้นนั้นออะไรมันมันจะรู้ของมันเองอ่ะมันจันทิตโก เราต้องเป็นผู้ประเมินเอาเองว่าเราอยู่ขั้นไหนและความสำคัญก็คือว่าขอให้เราใช้เป็นที่ดลบภัยได้ก็แล้วกันถ้าเกิดมีพิษภัยที่เราไม่สามารถที่จะทำให้ใจไม่วุ่นวายได้เราก็ใช้สมาธิดลบมันไปก่อน แต่ถ้าเราอยากจะไม่วุ่นวายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเรา mm. เช่นความเจ็บปวดของร่างกายในขณะที่เราไม่อยู่ในสมาธิเราก็ต้องใช้ปัญญาใช้ปัญญาก็ต้องใช้พิจารณาคาว่าพิจารณาก็คือมาศึกษาว่าอะไรเป็นอะไรร่างกายมันเจ็บ mm. เราเป็นใครเราเป็นร่างกายหรือเปล่าตามหลักธรรมเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นผู้ มารับรู้เรื่องของร่างกายเราเป็นผู้เป็นเจ้านายของร่างกายร่างกายเจ็บเราก็รับรู้ไปถ้าเรารรู้เฉยๆไม่เกิดความอยากให้มันหายเจ็บเราก็จะไม่เจ็บแต่ถ้าเราไปเกิดความอยากให้มันหายเจ็บหรือไม่ต้องการความเจ็บนี้มันก็จะทำให้ใจเราทุกข์ขึ้นมาที่ทุกข์นี้ส่วนใหญ่ทุกข์ที่ใจที่ดุนแรงทุกข์ที่ร่างกายไม่ดุนแรง ถ้าเราใช้ปัญญาแยกใจออกจากร่างกายได้หยุดความอยากให้ความเจ็บของร่างกายหายไปได้ความทุกข์ใจจะไม่มีเมื่อความทุกข์ใจไม่มีความเจ็บของใจนี้ไม่ทรมานอยู่กับมันได้เปรียบเทียบเวลาหมอบอกจะฉีดยานี้ยังไม่ทันฉีนใจเจ็บไปก่อนนะใช่ไหมแต่พอฉีดจริงๆเจ็บไหมเข็มนิดเดียวจึกเดียวน นั่นแหละคือเรื่องของความเจ็บทางร่างกายกับความเจ็บทางใจใจเราปรุงแต่งไปอยากไปเองอยากไม่ให้เจ็บมันก็เลยทรมานขึ้นมารุนแรงกว่าความเจ็บของเข็มฉีดยาคำถามต่อไปจากคุณพัขวัตรการภาวนาพุทโธควบคู่กับลมหายใจเมื่อภาวนาจนพุทโธหายไม่รู้สึกว่ามีลมหายใจไม่ได้ยินเสียงภายนอก จุดนี้จิตจะนิ่งแต่มีความคิดอยู่ว่าตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงรู้สึกว่าไม่มีร่างกายจึงมีความคิดว่าร่างกายไม่ปวดเมื่อยจริงไหมเสียงข้างนอกยังมีอยู่จริงหรือเปล่าจึงถอยออกมากำหนดลมหายใจและเริ่มรู้สึกปวดเมื่อยกับร่างกายและได้ยินเสียงภายนอก ลูกมีความสงสัยนะครับคําถามแรกจุดนี้มีทั้งผู้รู้และผู้คิดใช่ไหมครับก็ยังคิดอยู่นะก็ต้องควรจะพุโทโธต่อไปหยุดความคิดถ้าคิดแล้วเดี๋ยวมันก็เริ่มมันก็คิดมากขึ้นไปพอคิดมากเดี๋ยวมันก็ไม่สงบมันก็ต้องถอนออกถ้าอยากจะให้มันเข้าไปข้างในก็ต้องหยุดคิดใช้พุโทโธหยุดมันพอไปคิดไปคุยกับมันมันก็เดี๋ยวว่ากลายเป็นเรื่องขึ้นมา คำถามที่สองนะครับจุดนี้หรือเปล่าครับที่พระอาจารย์บอกว่าให้อยู่เฉยๆนิ่งๆให้นานที่สุดแล้วถอยออกมาพิจารณาไตรลักษยังไม่ให้ถอยให้อยู่นั้นนั้นให้มันถอยออกมาเองถ้ามันถอยออกมาแล้วอยู่ข้างในไม่ได้แล้วก็ค่อยมาพิจารณาไใจลักณต่อไปคำถามที่สามมีจุดที่มีแต่ผู้รู้ไม่มีผู้คิดไหมครับมีไงเวลามันความคิดหยุดเต็มที่คู่คิดก็หายไปเหลือแต่ผู้รู้ เรียกอัปปนาสมาธิคำถามต่อไปจากผู้ฝากถามคนที่ไปขอลูกคนอื่นมาเลี้ยงเป็นเพราะวิบากกรรมอะไรครับเพราะตัณหาความอยากมีลูกตัวเองไม่ได้ก็ไปขอลูกคนอื่นมาเลี้ยงกระฐานนั้นความอยากคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามคำถามแรกจิตผมคิดแต่เรื่องอกุศลในทางกามร ม, รมพยายามหยุดคิดแต่ก็กลับมาใหม่ครับ มีวิธีแก like, <hail> ้อย่างไรครับถ้าทุกครั้งที่คิดก็ใช้พุทโธพุทโธสู้กับมันไปอย่าปล่อยให้มันคิดเนี่ยทุกครั้งที่เหมือนกระโดนอะทุกครั้งที่มันไหลเราก็เหยียบเบรกไว้พอเหยียบเบรกมันก็หยุดไหลพอเราปล่อยเบรกถ้ามันไม่ไหลเราก็ไม่ต้องเหยียบเบรกพอมันเริ่มไหลอีกเราก็ต้องเหยียบอีกถ้าเราพุทโธแล้วมันหยุดคิดเราก็ไม่ต้องพุทโธต่อพอมันเริ่มคิดใหม่เราก็ต้องพุทโธต่อ ้านี้สู้กันไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะควบคุมความคิดนี้ได้คำถามที่สองเวลาที่ผมนั่งภาวนาชอบหลับสับสงกไม่ทราบมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับมีหลายวิธีอดข้าวก็วิธีหนึ่งถ้าหิวข้าวแล้วไม่หลับอีกวิธีก็ไปนั่งในป่าช้าคนเดียว คำถามต่อไปจากคุณสายพินถ้าเราจะช่วยญาติที่ไปตกอยู่ในนรกเราควรทําอย่างไรครับ อ, อทําอะไรไม่ได้เขาไปนั้นเขาต้องติดคุกไปยังกว่ากรรมที่เขาทําหมดไปถ้าเขามาเป็นขอทานทางดวงวิญญาณเราถึงจะช่วยเขาได้ถ้าเขามาเข้าฝันขอข้าวขอเสื้อผ้าเราก็ส่งทําบุญส่งไปให้เขาได้คําถามจากคุณนิยา เราจะพิจารณาอาสุภะที่ถูกต้องอย่างไรครับก็ดูส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายเนี่ยร่างกายมันมีทั้งส่วนที่น่ารักน่าดูน่าชมกับส่วนที่ไม่น่าดูน่าชมถ้าเราไปดูส่วนที่น่าดูน่าชมมันก็เกิดการมาราคาขึ้นมาถ้าเราไปดูส่วนที่ไม่น่าดูน่าชมมันก็ไม่มีการมาราคาก็เลือกเอาเสีมีอาการ32เนี่ย เลือกเอาดูส่วนไหนชอบส่วนไหนหรือจะดูตอนตายก็ได้ดูตอนเป็นซากศพก็ได้หรือดูตอนแก่ก็ได้หรือตอนเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้มันมีหลายหลายลักษณะของความที่ไม่สวยงามของร่างกายที่เราจะเลือกดูได้แล้วแต่เราจะชอบดูแบบไหนก็ดูไปดูเพื่อให้เราระงับการมาราคะถ้าเราไปดูตามที่เขา ตามสื่อต่างๆมันก็มีแต่การมาราคะทางนั้นในชะ่ไหมว่ามันแต่งนู่นแต่งนี่กลายเป็นเทวดากลายเป็นอะไรกันไปหมดนะลองไปดูตอนที่มัน อ, อยู่ในโรงพยาบาลบ้างนะคำถามจากคุณพิมพ์พนัน จะมีวิธีแก้ไขอย่างไรทุกครั้งที่โยมนั่งสมาธิจะมีแสงสว่างมากที่พุ่งมาใส่เวลาที่นั่งทุกครั้งครับอ๋อไม่มีอะไรแก้แล้วเราก็ภาวนาของเราไปอย่าไปสนใจทิ่ว่าเป็นสภาวะธรรมที่เป็นอนัตตาเหมือนเสียงฟ้าร้องอะไรนั่งไปฟ้าร้องเปี้ยงเปียงเราก็ปล่อยมันร้องไปเรานั่งหลับตาแล้วมีแสงภายในก็ปล่อยมันไปให้เราอยู่กับพุโทโธไปภาวนาของเราไป เดี๋ยวมันก็หมดไปมันเป็นของชั่วครั้งชั่วคราวคำถามจากคุณต้อยเวลาภาวนาพุทธโธจิตต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าไปพร้อมกับคำภาวนาด้วยไหมครับถ้าเราอยากจะทำอย่างนั้นก็ได้แล้วแต่เราเป้าหมายก็คือเราจะไม่ให้เราไปคิดถึงข น, นมนมเนยก็แล้วกันไม่ให้ไปคิดถึงแฟนไม่ให้ไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสต่าง หลาบยศ ส, สรรเสยอะไรต่างๆเหล่านี้หยุดคิดถึงเรื่องราวเหล่านี้ถ้าเราคิดพุดทธเราลนึกถึงภาพของพระเจ้าไปควบคู่กันไปก็ได้ถ้าทําจิตให้เรานิ่งทําจิตให้เราสงบหยุดคิดได้ก็ใช้ได้อุบายของสมาธิมันมีหลากหลายถึงแม้จะมีหลักๆไว้แต่ผู้ปฏิบัติเองอาจจะมาปรับเหมือนรถที่เราซื้อมาไหมซื้อมาแล้วเรามาปรับกันใหม่เปลี่ยนล้อแม็กบ้างใส่ ต, ติดไอ้นู่นติดไอ้นี่มากก็แล้วแต่ความถนัดความพอใจของผู้ขับนะการฝึกสมาธิท่านก็สอนหลักกลางๆดูลมไปพุทธโธไปบางคนก็เอาลมกับพุทธโธมาผสมกันก็มีหายใจเข้าว่าพุทหายใจออกว่าโทบางคนก็เอาลมมาผสมกับยุบหนอพองหนอหายใจเข้าก็เรียกว่าพองหายใจออกก็ยุบเนี่ยมันก็ อันนี้เป็นอุบายเฉพาะของแต่ละคนออกมาใช้อาจารย์บางองค์ก็ให้นั่งสอนให้นั่งดูนิ้วนั่งเฉยๆอย่า น, นั่งเฉยๆแล้วฟุ้งซ่านก็นมานั่งดูนิ้วดีกว่านับนิ้วไปนิ้วหนึ่งสองสามอันนี้ก็เป็นอุบายที่จะทำให้ใจมีอะไรที่ยึดที่เกาะไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆงั้นแต่ละคนนี้มีวิธีหลากหลาย คู่ปฏิบัติก็บางทีอาจจะต้องเลือกวิธีที่ถูกกับตนเองเพราะมันเป็นเหมือนอาหารนะอาหารที่เรารับประทานเราก็มักจะเลือกกันนะแต่ร่านอาหารนี่เรามักจะไม่สั่งอาหารเหมือนกันคนนี้เอาข้าวผัดคนนี้เอาก๋วยเตี๋ยวคนนี้เอาอะไรก็ว่าไปตามความชอบของตนเองการฝึกสมาธิถึงมีสี่สิบวิธีด้วยกันเนี่กรรมฐานสี่สิบมีคําถามอีกไหมมีครับ คำถามจากผู้ฝากถามกระดูกของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเช่นของบิดามารดาเราควรเก็บไว้หรือพาไปลอยอังคารครับําความพอใจของเราอยากจะเก็บก็เก็บได้อยากจะไปลอยอังคารก็ได้นะ แ, แต่นานาจิตตังบางคนยังคิดถึงยังรักยังหวงยังอยากจะมีส่วนของพ่อของแม่ของคนที่เราลั่งอยู่ใกล้เราเราก็เก็บไว้บางคนบอกเก็บแล้วเป็นภาระ เราไปลูกเราตายไปแล้วลูกหลานมัไม่รู้จักมันไม่มันไม่รู้จะไปทําอะไรเราอย่าไปปล่อยให้เป็นภาระกับลูกหลานก็ได้เราก็เอาไปหลอแองคารเสียเพราะมันไม่เป็นใครแล้วมันไม่เคยเป็นใครมาตั้งแต่ต้นแล้วมันไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรมันเป็นกระดูกมันเป็นดินน้ําหำลมไฟแต่เราไปสมมติชื่อตั้งชื่อมันว่าเป็นพ่อมังเป็นแม่มังเป็นพี่เป็นน้องบ้างเท่านั้นเองความจริงมันไม่ได้เป็นอะไรนะมันเป็นดินน้ำลมไฟ คำถามต่อไปจากคุณรัฐชาญมีกี่อย่างแล้วเราควรทรงชาญใดไว้เวลาที่นั่งสมาธิครับมีรูปชาญกับรูปปัญญารูปปัญญาก็มีสี่ระดับรูปปัญญาก็มีสี่ระดับชาญที่เราฝึกกันเพื่อให้เข้าถึงก็คือชาญที่สี่ของรูปปัญญาเพราะเราต้องการอุเบกขาต้องการความสุขที่ได้จากรูปปัญญาที่เราจะเอามาเปรียบเทียบกับความทุกข์ ที่เกิดจากกิเลสตัณหาเพื่อที่เราจะได้เลือกว่าเราจะเอาแบบไหนจะเอาแบบรูปฌานหรือจะเอาแบบกิเลสเราก็จะรู้ว่าเราต้องกาจัดกิเลสพอเรากาจัดได้ใจของเราก็จะเป็นรูปฌานก็จะสงบไปอย่างถาวรมีความสุขไปตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องไปหาความสุขจากที่ไหนความสุขจากที่อื่นสู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้วันแล้วเหร อ่าถามเพอท<ำ>ี่คาถามไหมอับถามาเอ่อในการทำบุญเนี่ยเราอุทิศบุญให้คนมีชีวิตอยู่ได้ไมไม่ได้หรอกให้ให้เขาไปทำเองดีกว่าได้เยอะกว่าบุญที่อุทิศไปเหมือนของที่ส่งไปเนี่ยส่งส่งได้เล็กน้อยนะถ้าคนอยู่ให้เขาไปทำบุญเองดีกว่าเขาจะได้บุญเยอะกว่าหลายเท่า กรรนมาสกรารดี๋ยค่ะคืออยากอยากอยากทราบว่าสิ่งที่เกิดกับตัวเองนี่ใช่หนังตัวอย่างไหมใช่ไหมคือเคยนั่งสมาธิแล้วรู้สึกว่าจิตคือนั่งนั่งอยู่แล้วแบบรู้สึกว่าเอ้ยไม่ไม่ทราบว่าคำพอนาหายไปไหนตั้งแต่เมื่อไหร่แต่อยู่ๆแล้วก็รู้สึกว่าทแบบําไมใจเราโล่งว่างเย็นสบายทาั้งๆที่ข้างบ้านอ่ะทําเสียงดังโคมคามคุยกันตะโกนเสียงคุยกันแต่แต่ยมกับไม่รู้สึกรลำคาญกับกับนั่นแนหะโอเบคขาเนี่ย ความสงเย็นสบายอยู่นั้นจ้ะค่ะงั้นจะเรียกว่าหนังตัวอย่างก็ได้แล้วติดใจไหมติดใจจุะค่ะมีความสุขมากแต่ไม่เจอแบบนั้นอยู่เลยจ้ะค่ะก็ไม่ทำอีกมันก็ไม่เจอเลยทำไม่ต่อเนื่องจ้ะค่ะอยากไม่ได้อย่าไปอยากให้มันเหมือนไม่ได้ต้องพุทโธไปต้องดูลมไปอย่าไปคิดถึงอดีตที่เคยได้มาคิดแล้วมันจะไม่ได้ พยายามคิดว่าเข้าไปได้ยังไงจำไม่ได้จำไม่ได้ค่ะอยู่ๆอยู่ๆก็ไปเลยอ่ะจะการนั่งก็ไม่เป็นไรเอาวิธีที่พระเจ้าสอนวิธีเดียวกันอยู่ลมไปพุทโธไปเดี๋ยวก็เข้าได้อแต่อย่าไปคิดถึงผลที่เคยได้แล้วอยากให้เป็นในขณะที่ทํามันจะมันจะขวางมันจะกั้นไม่เราได้ค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งคือคือเดินจงกรมแล้วรู้สึกว่าตัวเบาแต่ก่อนจะตัวเบานี่ก็ ผ่านมาสามด่านคือคือง่วงง่วงเหงาเหานอนแล้วก็แล้วก็ร้อนอทั้งที่เดินอยู่ในห้องแอร์แต่ยอมร้อนเหงื่อไหลจังหมดแล้วก็หลังจากนั้นก็ ม, มีเสียงแบบแบบผายลมอะคะคือเดินไปก็ตดพืดปาดพืดปาดไปจกก้ะแต่อยู่ๆก็เอ๊ะทำไมวันนี้เราเดินแล้ว คนเราเบาจังเลยอ่ะเหมือนเดินเหมือนเดินอยู่บนเม่อย่างไงก็เดินเท่าไหร่ก็ไม่เหนื่อยไม่เมื่อยนะคะใจว่างไงใจไม่ได้ไปคิดวุ่นวายกับเรื่องต่างๆอันนี้ก็หนังตัวอย่างอีกใช่ไหมคะหนังตัวอย่างคนที่ได้อยากสมาธิันจากการเดินจงกรมมันจะทำให้ใจเราว่างใจเราเบา ใจสบายแต่ยังไม่สงบเหมือนกับตอนที่นั่งสงบตอนนั่งมันจะสงบกว่าแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งคือคือนั่งสมาธิรู้สึกว่ากายร้อนบุบวับบบวับเหงื่อไหลแต่สังเกตใจทำไมใจไม่ร้อนนะเจ้ะคะ ใ, <ช>ใจเย็นสบายนั่งดูกายร้อนบุบวับเหงื่อไหลไปใจสงบไงใจสงบใจปล่อยวางอันนี้เรียกว่า ใจแยกออกจากกายหรือเปล่าจ๊ะคะจะว่าแยกก็นด้ใจไม่วุ่นวายไปกับร่างกายคอืนี่ถูกแล้วทาไปคแต่โยมไม่มีโอกาสพาวนาได้ต่อเนื่องอจ๊ะค่ะคือแบบเป็นช่วงๆแต่ช่วงไหนที่ที่ขยันทําก็จะมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นถ้าทำไม่ทนะําเลยก็ด้วยภาระหน้าที่แล้วก็ทำไม่ตัดนั่นล่ะ <c oughs> พยายามอยู่จ๊คะค่ะอตัดนั้นสิไม่มีอะไรที่เราตัดไม่ได้ พรจะพุทธเจ้ายังตัดได้นะมันเราจะตัดไม่ได้พยายามก็พยมเชื่อเชื่อใ น, ในในสิ่ง ท, ที่ท่านอาจารย์สอนเหมือนเห<ช>มือนถูกรางวัลที่หนึ่งแต่ว่าเร า, เราไม่ตัดเดี๋ยวมันมันก็ตัดเราอยู่ดีการเดิ น, <c oughs> ดนไปขึ้นรางวัลนี่มันมันมันยากจริงจังคะ่ะแต่ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จดีเท่นั้นเราไม่พยายามเองเราไปว่ามันยาก <c oughs> เราว่ามีภาระมันก็ถูกมันถูกมันหลอกเราแล้วไม่มีอะไรเป็นภาระ เราไปถือเป็นภาระเองไงพยายามตัดตักมันไปเถอะมันไม่เป็นภาระหรอกเราไปถือว่ามันเป็นภาระเท่านั้นเองเพราะว่าทายมตั้งใจทําช่วงไหนจะจะรู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกๆที่ยมอช่พอทําแล้วมันก็จะได้เห็นของแปลกๆของดีๆเราไม่ทํำสิ่งที่ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ก็ได้รู้ได้เห็นใช่ถูกต้องพยายามทําให้มากขึ้นนะโอเคใครอยากจะทํามอหมคนที่บันได ถามต่อกับทททมรสมกการกอาจารย์เนี่ยเพิ่มาวัดพระอาจารย์เป็นครั้งแรกแต่ว่าได้ได้ไ ด, ดูตาม y o u t u ู e แล้วเ่อค่ ะ, ะมีคำถามที่อยากจะสอบถามพระอาจารย์วิธีการวางใจตัวเองออเออข้าพเจ้าได้ อ, อ, อยู่กับ แต่ว่าคู่ชีวิตนะคะแต่ว่าเเป็นคนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็เห็นนั่งสมาธิแล้วเห็นเห็นเห็นอะไรหลายอย่างที่ที่หนูไม่เห็นนะเจ้าค่ะอยากจะถามว่าเวลาสนทนากันเนี่ยหนูควรจะวางใจยังไงกับสิ่งที่ที่เขาเห็นแล้วเล่าให้เราฟังเพราะใจบางครั้งใจเราใจเราเป็นการเฉยๆไปเฉยๆอย่าไปนะรักชังกลัวหลง ออืไม่ต้องยินดียินร้ายปากของเขาเขาพูดจริงไม่จริงเราก็ไม่รู้เออก็ฟังเข้าไปอออย่าหูเบาออืใจหนักแน่นใจหนักแน่นก็คือใจเป็นกลางใจวางเฉยเจ้าค่ะเพราะบางครั้งฟังแล้วจริงก็จริงไม่จริงก็ไม่จริงไม่สําคัญจริงก็เราก็ไปถามไปเปลี่ยนมันไม่ได้ไม่จริงมันก็ไม่จริงเราไม่ต้องไปวุ่นวายกับคําพูดของเขาไม่ต้องไปวุ่นวายกับเรื่องของเขาพูดง่าย เขาจะดีจะชั่วมันเรื่องของเขาฟังฟังเฉยเฉยฟังเฉยเฉยพอฟังแล้วก็ผ่านไปอย่าเอามาแบกผ่านไปแล้วก็จบเป็นอดีตไปแล้วเรายังดึงกลับมาให้มันอยู่ในปัจจุบันอยู่เรื่อยๆวิธีที่จะปล่อยให้มันไปไม่ดึงกลับ่าคือต้องดึงดึงจิตไว้ให้อยู่ในปัจจุบนันอย่าปล่อยให้จิตไปกับอดีตดึงมันด้วยพุทธโธพุทธโธพุทธโธเอง เพราะใจบางครั้งคิดในทางลบไปเลยเจ้าค่ะก็ใช้พุทโธลบมันออกค่ะพอมันจะคิดไปทางไม่ดีก็พุทโธพุทโธพอมันจะไปอดีตก็พุทโธพุทโธไปเจ้าค่ะถ้าจะคิดแค่คิดทางดีบ้างเขาก็ต้องมีส่วนดีบ้างนะไม่เราไม่คบกับเขาหรอกนะส่วนไม่ดีก็ถือว่าทําบุญทําทานให้เขาไปก็แล้วกันถงให้กลับทางนี้เอาแล้วนะ มีอีกไหมอา้ามีคำถามต่อบะมีครับอามีก็ต่อยคำถามาจา ก, กจากคุณกุลาบครับเมื่อก่อนเข้าไปทำบุญที่วัดบ่อยแต่ช่วงหลังๆไม่ได้ไปถ้าเราไม่ได้ไปทำบุญที่วัดแต่เราสวดมนต์ภาวนาอยู่ที่บ้านได้ไหมเจ้าคะได้ทำบุญทำได้ทุกที่ทุกแห่งบุญอยู่ที่ใจเราอยู่ที่การกระทากายวาจาใจของเราวัดหรือสถานที่เป็นเพียงที่ เป็นที่เราจะใช้ในการทำสถานบางที่ก็ทำได้หลายอย่างสถานบางที่ก็ทำได้ไม่มากง่ายหรือยากก็อยู่ที่สถานที่ด้ว ย, ยนั้นก็ขึ้นอยู่กับบุญชนิดไหนที่เราทำถ้าสวดนมนต์ไหว้พระนี่ที่ไหนก็สวดได้ถ้าจเจริญสติพุธโธนี้ไปได้ทุกแห่งอยู่ที่ไหนก็พุธโธได้ คำถามจากผู้ฝากถามนั่งเอนหลังเพราะเหนื่อยมากครับหลับตาแต่ยังมีสติอยู่เห็นภาพหน้าผากค่อยๆเปื่อยลงมาจนเปลือกตาเห็นเป็นกะโหลกรีบปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นเพราะกลัวมากอาการนี้คืออะไรครับก็นิมิตเนย่งนิมิตภาพมโนภาพที่จิตมันผลิตขึ้นมาอาจจะเป็นเพราะอาดีตคอยพิจารณาอสุภะ พ, พิจารณา ภาพเหล่านี้มาก่อนหรือเคยไปเห็นในอดีตไปเห็นที่ไหนมาก่อนมันก็ยังฝังอยู่ในมโนอยู่ในความจำอยู่พอเรานั่งเฉยๆไม่มีอะไรครวบคุมมันมันก็นึกถึงภาพเหล่านี้ขึ้นมาได้คําถามจากคุณสุชัยทาสมาธิและเดินจงกรมมาตลอดได้สามปีแต่ไม่เห็นอะไรพิเศษแต่รู้สึกว่าสงบมากขึ้นครับขอเรียนถามว่ามาถูกทางหรือไม่ครับ ก็ถูกถ้าสงบมากขึ้นก็ถูกถ้าจ ะ, ละสลับหัดคิดทางปัญญาบ้างก็ได้ช่วงที่เราไม่ได้ทำสมาธิช่วงเดินจงกรงนี่เราจะมาท่องเที่ยวในกาญนาครบ้างก็ได้มาศึกษามาทำความรู้จักกับร่างกายของเราร่างกายของคนทุกคนว่ามีอะไรบ้างมีผมขนเล็ บ, บันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกนองท่องอาการ32ดูท่องไปท่องกลับ ก็เรียกอนุโลมปฏิโลมให้เกิดความจำนานพอจำนานทางการท่องชื่อมาแล้วก็มานึกภาพของมันแต่ละภาพผมเป็นยังไงอยู่ตรงไหนขนเป็นยังไงอยู่ตรงไหนฟันเป็นยังไงเล็บเป็นยังไงเนื้อหนังเอ็นกระดูกเป็นยังไงนึกภาพไปแต่ละชิ้นแต่ละอันทำความรู้จักของดีๆมีในตัวเรากับมองไม่เห็นมีทั้งดีและไม่ดี ถ้าเห็นทั้ง3ามที่สองอาการแล้วเราก็จะได้ไม่หลงว่าไปหลงคิดว่าคนนั้นสวยคนนี้งามมันสวยแต่เพียงแต่หนังเท่านั้นนะคนหลังก็บอก beauty skin deep ความสวยงามอยู่แค่ระดับผิวนั้นเองพอใต้ผิวหนังก็ไปแล้วนี่ไม่มีอะไรน่าดูน่าชมเลยศึกษาไว้เพื่อจะได้กันความหลงมาหลอกเราให้เราไปหลงรักคนนั้นคนนี้แล้วต้องมาทุกข์วุ่นวายใจเท่านั้นเอง เราไม่ต้องการทุกข์วุ่นวายใจเราก็ต้องศึกษาร่างกายของเราให้เห็นชัดว่ามันไม่น่ารักหน้าหน้าไม่ไปหลงไปรักไปชอบไปไปวุ่นวายไปกินไม่ได้นอนไม่หลับไปกับมัน นี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับสลับกับสมาธิแต่ต้องไม่ทิ้งสมาธินะช่วงไหนที่เราไม่ทำสมาธิเราเดินจงกรมจเจริญสติแทนที่จ ะ, จะเจริญสติเปลี่ยนมาพิจารณาอาการสามสิบสองก็ได้พิจารณาเกิดแก่เจ็บตายก็ได้เนี่ยเกิดแก่เจ็บตายถ้าพิจารณาไปมันจะขยายเนาะคำว่าแก่คำเดียวนี่มันกว้างนะคนนั้นก็แก่คนนี้ก็แก่เฮ้ยมันแก่ทุกคนเนี่ยแต่ทั่วโลกเลยไม่ใช่แก่เราคนเดียว ถ้าลองขยายพิจารณาดูเนี่ยแล้วแกมีหลายสภาพแ ก, แ, กแบบไหนแกแบบหนังเหยวแกแบบหลังค่อมแกแบบอะไรมีให้พิจารณาได้เยอะแยะไปหมดถ้าลองจะพิจารณาดูเนี่ยหมดแล้วเลยคำถามจากเอาสุดท้ายนะครับ เวลาที่นั่งสมาธิรู้สึกเหมือนตัวลอยจิตจะหลุดออกจากร่างเกิดจากอะไรหรือเป็นเพราะว่าเข้าฌานลึกเกินไปครับก็เป็นความ ร, รู้สึกอ่เวลาจิตสงบบางทีก็จะรู้สึกตัวเบาบางทีก็ลอยจริงๆก็มีเนะี่ยเพราะเท่าที่ได้ยินจากในวงการปฏิบัติเช่นหลวงปู่มัน่นอาจารย์ของหลวงปู่มันน่นหลวงปู่สาวนี้ท่านบอกท่านนั่งแล้วตัวท่านลอยตอนต้นท่านก็ไม่แน่ใจท่านก็เลยใช้วิธีเวลานั่งเนี่ย แล้วท่านก็ถือใบไม้ไว้ในมือพอเวลารู้สึกว่ามันลอยไปชนเพดานซึ่งเป็นบุงหญ้าแฝกท่านก็เอาใบไม้ไปเสียบไว้ในในในในเพดานของหญ้าเนี่ยแล้วพอออกจากสมาธิมาท่านก็ดูขึ้นไปเฮ้ย hey, ใบไม้นั้นอยู่ตรงนั้นแสดงว่าเป็นของจริงไม่ได้คิดไปเอง เพราะบางทีเวลานั่งสมาธิจิตสงบบางทีเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรจริงอะไรไม่จริงก็เลยต้องหาอะไรมายืนยันที่สุดท่านก็ทราบว่าเวลาท่านนั่งแล้วใจชันร่างกายเบาลอยได้ก็มีพวกฝึกสมาธิของพวกอะไรเขาเรียกทีเอ็มเนี่ยเขาก็เน้นทางด้านนั่งแล้วให้ตัวลอยกันเพราะเขาเชื่อว่านั่งได้นี่จะได้ทุกคนหรือไม่นั่นเด็กเรื่องหนึ่ง เพราะเรื่องนี้มันเรื่องของความสามารถของแต่ละคนบางคนสงบแล้วไม่ลอยก็มีไม่ใช่สงบแล้วจะต้องลอยกันทุกคนพอไม่ลอยก็คิดว่าไม่ถูกไม่ใช่ฮอันนี้เป็นเรื่องกรณีพิเศษผลพิเศษที่มีหลากหลายจากการนั่งสมาธิงั้นอย่าไปยึดติด ก, กับผลพิเศษผลที่ได้เหมือนกันก็คือความสงบความเบาอกเบาใจความสบายใจปล่อยวางไม่รักชางกลัวหลง อันนี้แหละเป็นผลที่ได้กันทุกคนเอาแล้ววันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอร์